ข้อความในพระสุตันตปิฎกมหานิเทศตัวตกะสุตตะนิเทศที่สิบสี่จากพระสูตรที่ฟังไปล้าสูตรนี้ในเล่มหกสิบหกเนี่ยปุราธาเพทะสูตรนี้พระองค์แสดงให้เทวดาพู้ที่จริตนี่นะปรารบเทวดาผู้ที่จริตฟังส่วนกะละหะวิวาทัสูตรพระองค์ปรารบ เทวดาที่เป็นโทสะจริตจูลวิยูหสูดเนี่ยแสดงปรารบเทวดาวิตกจริตแล้วก็มหาวิยูหสูตรนี่ก็แสดงปรารบเทวดาโมหจริตวันนี้มาขึ้นตัวตะกาัศูรที่พระองค์ตรัสแสดงปรารบเทวดาผู้เป็นศัทธาจริตเนี่ยซึ่งแต่ละสูตรทั้งหมดที่กล่าวไปเนี่ยบรรลุเป็นท่รหันแสนโกด บรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นต้นหาประมาณไม่ได้ข้อความในตัวตกะกุศตานิเทศที่สิบสี่หน้าเจ็ดร้เจสเจเอจ็ดเจ็ดข้อ700ร้อพระพุทธนิมิตรตรัสถามว่าข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ผู้เป็นเผ่าพันธ์พระอาทิตย์ผู้สงัดผู้สแสวงหาคุณใหญ่ว่าภิกษุเห็นอย่างไรแล้ว จึงจะไม่ถือมั่นซึ่งสังขารอะไรอะไรในโลกแล้วก็ย่อมดับคือย่อมปริณิพานเนี่ยเห็นยังไงจึงจะไม่ยึดถือและปริณิพานได้คำถามแบบนี้ย่อๆจากพระพระพุทธนิมิตตร ถ, ถามว่าขอทูลถามนี่ก็มาวิวิจัยคำถามก่อนเชื่อว่าปุจฉาเนี่ยนะปุจฉาที่เรียกว่าคำถามเนี่ยนะ คำถามนี่ก็แบ่งเป็นกลุ่มๆเช่นว่าคำถามมีสามอย่างคืออธิฐาโชตนาปุจชาทิฐาสังสันธนาปุจชาวิมติเฉทนาปุจชาอธิฐาโชตนาปุจชาเนี่ยเป็นไนะลักษณะใดที่ยังไม่รู้ไม่เห็นไม่พิจารณาไม่เทียบเคียงไม่กระจ่างไม่แจ่มแจ้งโดยปกติ บุคคลย่อมถามปัญหาเพื่อจะรู้เพื่อจะเห็นเพื่อพิจารณาเพื่อเทียบเคียงเพื่อกระจางเพื่อแจมแจ้งซึ่งลักษณะนั้นนี้ชื่อว่าอธิฐโชตนาปุจชาปัญหาที่ตัวเองเนี่ยยังไม่ส่องเห็นยังมืดเลยนะก็ถามเพื่อความรู้ความเข้าใจเพื่อความเห็นเรียกว่าทิฏฐโชตนาปุชชา ส่วนทิฏฐสังสันทนาปุชาก็คือลักษณะใดที่รู้เห็นพิจารณาเทียบเคียงกระจ่างแจ่มแจ้งแล้วโดยปกติบุคคลย่อมถามเพื่อต้องการสอบสวนลักษณะนั้นกับบัณฑิตอื่นๆนี้ชื่อว่าทิฏฐสังสันทนาปุชาก็รู้อยู่แล้วแหะแต่ก็ถามเพื่อจะสนทนาเนี่ยนะถามเพื่อการสนทนาถามเพื่อการเทียบเคียงอ่ะอย่างเช่นพาหันท่านถามปัญหาแก่กันและกันเนี่ย โดยทั่วไปแล้วท่านถามเพื่อเทียบเคียงเพื่อสนทนากันนะเนีส่วนวิมติเชทนาปุจชานี่เป็นไงบุคคลเป็นผู้แล่นไปสู่ความเคลือบแคลงสงสัยเป็นสองทางว่าเป็นอย่างนี้หรือหนอะหรือว่าไม่เป็นอย่างนี้เป็นอะไรหนอะหรือว่าเป็นอย่างไรบุคคลนั้นถามปัญหาเพื่อต้องการตัดความเคลือบแคลงสงสัยนี้ชื่อว่าวิมติเชทนาปุจชาะนะเหมือนกับว่าเดินทางไปเจอถนนสองแยกอะนะ เธอสองแยกก็ต้องถามคนคนที่รู้ทางว่าเอ๊ะไปยังไงกันแนะ่ไปซ้ายหรือไปขวาพวกวิมติเชทนาปุชาก็เหมือนกันก็จะมุ่งจะถามคำถามเพื่อตัดความสงสัยอันนี้เรียกว่าปุชาสามนะปุชาอีกสามอย่างคือมนุษยปุชาอ่ามนุษยปุชานิ ม, มิตจปุชาคือมนุษย์ถามอ่ามนุษย์ถามพระพุธทธนเรมิถาม อธิบายว่ามนุษย์สัพพุาเป็นไงมนุษย์ทั้งหลายเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วย่อมทูลถามปัญหาคือพวกภิกษุย่อมทูลถามพวกภิกษุณีย่อมทูลถามพวกอุบาสกย่อมทูลถามอุบาสิกาทูลถามพระราชาทูลถามกษัตริย์ย่อมทูลถามพวกพราหม์ย่อมทูลถามแพทย์ย่อมทูลถามสูตรย่อมทูลถามครหัดย่อมทูลถามบันปะชิตย่อมทูลถามนี้ชื่อว่ามนุษย์สัพพุา มนุษย์นี่ก็แบ่งนะแบ่งเป็นพุทธบริษัทสี่นี่นะแบ่งเป็นวันณะสี่แบ่งเป็นเพศคือนักบวชกับเครือขัดนี่นะก็นีนพวกเป็นมนุษย์ที่มาถามคําถามกับพระพุทธเจ้าส่วนอมนุษสับปูชาเนี่ยเป็นไนก็คือพวกอมนุษย์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วย่อมทูลถามปัญหาคือนาคครุดยักษ์อสูรคนทัน ท้าวมหาราชพระอินร์พระพรมเทวดาย่อมถามปัญหานี้ชื่อว่าอนมนุษสปุจฉาคือไม่ใช่มนุษย์นะนะส่วนนิมิตตปุชะเป็นไงนะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเนรมิตพระพุทธรูปใดอันสําเร็จด้วยพระหฤ ท, ทยัยมีอวัยวะครบทุกอย่างมีอินทรีย์ไม่วิการพระพุทธเนรมิตนั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วถามปัญหาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงวิสัชนานี้ชื่อว่านิมิต นิ ม, มิตปุชชานนะลักษณะคําถามที่ถามไปตอนแรกะนะหมายถึงพระพุทธนิ ม, มิตรถามคือไม่ใช่มนุษย์ถามไม่ใช่อัมนุษย์ถามแต่พระพุทธนรมิตรถามปุชชาอีก3ามอย่างก็คือถามถึงประโยชน์ตนการถามถึงประโยชน์ผู้อื่นถามถึงประโยชน์ทั้งสองอย่างคือทั้งสองฝ่ายนะทั้งถามประโยชน์ฝ่ายตนและผู้อื่นอย่างติดสะเมตยสูตรเนี่ยนะที่กล่าวผ่านไปเนี่ยถามเพื่อประโยชน์ผู้อื่น คือเพื่อนกันะนะน่คือกุลบุตรสองคนเนี่ยออกบวชทั้งคู่บวชแล้วคนหนึ่งศึกไปอีกคนหนึ่งอยู่ปฏิบัติจนเป็นพระอรหันต์ทีนี้คนที่เป็นพระอรหันต์ก็ถามปัญหากับพระพุทธเจ้าเพื่อสงเคราะห์เพื่อนที่ศึกไปแล้วก็ถามเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นหรือเดี๋ยวสูตรต่อไปข้างหน้าที่ภาษาลิบุตรถามปัญหาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะัก็ถามเพื่อประโยชน์แก่ลูกศิษย์ของท่านน่นะ มั น, นเรียกว่าถามเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นถามเพื่อประโยชน์ตนนี้ก็เห็นกันชัดเจนอยู่บ่อยๆะนะส่วนถามถึงประโยชน์ทั้งสองอย่างนะบางคนก็ปรารบทั้งทั้งสองฝ่ายก็ถามปัญหาปุจฉามีอีกสามอย่างคือถามถึงประโยชน์ในภพนี้ถามถึงประโยชน์ในภพหน้าถามถึงประโยชน์อย่างยิ่งนะถามถึงชีวิตในโลกนี้นะเช่นควรจะใช้ชีวิตอย่างไงในโลกนี้เรียกว่าถามประโยชน์ในโลกนี้ ถามประโยชน์โลกหน้าก็บอกว่าแกแล้วเนี่ยนะคิดว่าชีวิตนี้อีกไม่นานก็จะต้องเดินทางแล้วอะไรจะเป็นที่พึ่งในภพหน้าเรียกถามประโยชน์ในโลกหน้าส่วนถามประโยชน์อย่างยิ่งก็คือถามประโยชน์คือพนิพานคำว่าถามพณิพานนั้นนะเน้นไปที่ข้อปฏิบัติเพื่อพนิพานนะนปุชา ม, มีอีกสามอย่างคือการถามถึงประโยชน์ไม่มีโทษการถามถึงประโยชน์ไม่มีกิเลส การถามถึงประโยชน์แห่งธรรมะขาวนั่นนะกวว่าเป็นการถามถึงประโยชน์น่นนะปูชามีอีกสามอย่างคือการถามถึงส่วนอดีตถามถึงส่วนอนาคตกับถามถึงส่วนปัจจุบันนั่นนะถามอดีตอนาคตปัจจุบันน่นะบางอย่างก็ปรรบอดีใช่ไหมอย่างเช่นลักษณะของชาดกก็ปรรบอดีต ถามปัญหาบางอย่างก็ปรารบอนาคตว่าทำบุญอย่างนี้แล้วจะมีผลยังไงต่อไปอเหตุการณ์นี้จะมีผลยังไงต่อไปในอนาคตเนี่ยเรียกว่าถามประโยชน์ในอนาคตส่วนการถามถึงประโยชน์ในส่วนปัจจุบันก็อย่างที่เราคุ้นเคยกันส่วนปุจฉามีอีก3ามอย่างก็คือการถามถึงธรรมะที่เป็นภายในถามถึงธรรมะภายนอก การถามทั้งภายในทั้งภายนอกถามภายในก็คือถามเรื่องของตนใช่ภายในตนเนี่ยหรืออายตนะภายในถามภายนอกก็คือเรื่องของคนอื่นหรือว่าถามอายตนะภายนอกปุชามีอีกสามอย่างคือถามถึงกุศลธรรมหนึ่งถามถึงอกุศลธรรมหนึ่งถามถึงอัพยากตะธรรมหนึ่งก็คือถามกุศลอกุศลอัพยากตถามกุศลว่ารำอย่างเี้ยกุศลเป็นกุศลกรรมบดยังไง ถ้าถามอากุศลก็อากุศลกรมมบทเป็นยังไงถ้าถามอพยากตะก็คือถามวิบากของกุศลและอกุศลเรียกว่าอภยกตะปุจชามีอีกอย่างหนึ่งคือถามถึงขันถามถึงธาตุถามถึงอายตนะก็เช่นขันทวรวักเนี่ยถามถึงขันคำถามในนั้นอ่ะโดยมากก็ถามถึงขันเช่นถามถึงธาตุก็เช่นในธาตุสังยุตเป็นต้นนั่นแหละ ส่วนถามถึงอายตนะก็เช่นอายตนะสังยุตหรือสลายอตนะวะกอ่ะ น, นถามถึงขันพระถา้าว่าเป็นกองอ่ะ น, นถามถึงธาตุก็คือถามถึงลักษณะที่ศูนย์หรือที่เรียกว่าว่างที่นิสตตะนิชีวะศูนยะสภาวะถามถึงอายตนะก็คือการการเชื่อมต่อหรือความเป็นไปในวะตะัตต์ ปุตชามีอีก3ามอย่างก็คือถามถึงสติปทานอย่างหนึ่งถามถึงสัมมาปทานในอย่างหนึ่งถามถึงอิทธิบาตในอย่างหนึ่งก็แบ่งนะถามสติปทานสติปทานก็ถามกายานุปัสสนาถามเวทนานุปัสสนาถามจิตานุปัสสนาถามธรมมานุปัสสนาถ้าถามสัมมาปทานก็คือถามสังวรปทานถามปหาณะปทานถามอะไร ภาวนาประทานหรือถามอนุรักษณาประทานส่วนถามถึงอิทธิบาทก็คือฉันทาวิริยะจิตตะและวิมังสาปุชามีอีกสมอย่างคือถามถึงอินซีถามถึงพละถามถึงโพชงนะนะถามอินซีห้าศรัทธาเป็นต้นแต่ละอย่างหรือถามพละห้าเนี่ยนะหรือถามโพชงเจ็ ส่วนปุจฉามีอีกสามอย่างคือถามถึงมรคถามถึงผลถามถึงนิพพานเนี่ยนะถามถึงมรค ก, ก็เช่นสุญญาตมรคเป็นต้นถามถึงผลก็คือภะละสมาบัติทั้งหลายถามถึงนิพพานก็คือนิพพานที่เป็นสอปปาที่เสสานิพพานหรืออนุปาที่เสสานิพพานหรืออนุปาถาปรินิพพานเนี่ยนะจากคำถามที่กล่าวไปหมดแล้วเนี่ยนะก็เน้นที่คาถามที่พระพุทธเนมิถามที่ว่า คำว่าขอทูลถามความว่าขอทูลถามขออ้อนวอนขอเชื่อเชิญขอวิงวอนว่าขอได้โปรดบอกธรรมะนั้นแก่ข้าพระองค์เพราะฉะั้นลักษณะของคําถามเนี่ยสำคัญมากในเนติปกรณ์เนี่ยมีป็นหาอยู่ในวิจยหาระเนี่ยว่าปุจฉาในวิจยหาระวิจยหาระมี11อย่างเั้นปุจฉาเนี่ยอย่างปุจฉิวิสัตชิตันจะเนี่ยปุจฉานี่สําคัญมาก การจะตอบอะไรเนี่ยข้อที่สําคัญที่สุดก็คือการเอาคําปรุดฉาเนี่ยมา ว, วิจัยให้ดีก่อนว่าลักษณะคําถามเป็นยังไงใครถามเนี่ยนะถามเพื่ออะไรแล้วก็คําถามเนี่ยลักษณะไหนเราแยกแยะ ye k ye k, ye k, ประเด็นคําถามให้ได้คําว่าผู้เป็นเผ่าพันธุ์พระอาทิตย์พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์พระอาทิตย์นะว่าพระสุริยะเรียกว่าพระอาทิตย์พระอาทิตย์นี่เป็นโคดมโดยโคต แม้พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นโคดมโดยโคดพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ปรากฏโคดพระอาทิตย์เป็นเผ่าพันธุ์พระอาทิตย์เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นเผ่าพันธ์พระอาทิตย์อย่าไรคงไม่ลืมคำถามนะที่ว่าข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ผู้เป็นเผาพันธุ์พระอาทิตย์ผู้สงัดคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่วิเวกนะนะ คำว่าผู้วิเวกหรือผู้สงัดเนี่ยนะก็วิเวกมีสามอย่างกายาวิเวกจิตวิเวกและอุปเิวิเวกพระพุทธเจ้าเป็นผู้กายาวิเวกเป็นไงเนี่ยนะที่พระองค์มีกายาวิเวกก็คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมส่องเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าโคลนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าชา้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟางและเป็นผู้สงัดด้วยกายอยู่ เธอเดินผู้เดียวยืนผู้เดียวนั่งผู้เดียวนอนผู้เดียวเข้าไปสู่บ้านเพื่อบินธบาติผู้เดียวกลับผู้เดียวนั่งในที่หลีกเร้นผู้เดียวอธิษฐานจงกรมผู้เดียวผู้เดียวเที่ยวไปยับยั้งอยู่ผลัดเปลี่ยนอิริยาบถเป็นไปรักษาบำรุงเยียวยานี้ชื่อว่ากายวิเวกเนี่ยนะก็คือเน้นแต่คําว่าผู้เดียววะนะจิตวิเวกเป็นฉนัยภิกษุบรรลุปถมมชานมีจิตสงัดจากนิวรณ์ นะปทมชาญเป็นจิตวิเวกคือวิเวกจากนิวรณ์ทุติยชาญเป็นจิตวิเวกจากวิตกวิจารตติยชาญนี่มีจิตวิเวกจากปีติจตุทชาญนี่มีจิตวิเวกจากสุขและทุกข์ถ้าบรรลุอากาสานันจายตนะก็มีจิตวิเวกจากรูปสัญญาปฏิฆาสัญญานานาตสัญญาถ้าวิญญาณานจายตนะชาญก็มีจิตวิเวกจากอากาสานานจายตนะสัญญา ถ้าบาลุอากินจัญญายตนะฌานก็มีจิตวิเวกจากวิญญาณัญญายตนะสัญญาถ้าบาลุเนวะสัญญาณาสัญญายตนะฌานก็มีจิตวิเวกจากอากินจัญญายตนะสัญญาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าส ร, รุปก็คือรูปฌานก็ชื่อว่าจิตวิเวกนั่นแหลแต่ละแต่ ل, แต ل, ละฌานก็วิเวกจากแต่ละอย่างแต่ละอย่างไป อรูปปัจานก็เรียกว่าจิตตวิเวกนะนะอรูปปัจานชั้นสูงวิเวกจากอรูปปัจานชั้นล่างพระโสดาบันก็มีจิตตวิเวกนะพระโสดาบันเนี่ยท่านวิเวกตลอดคื อ, อวิเวกจากสกายัตทิฏฐิวิจิกิจฉาศีละพัตะปรามาตทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและกิเลสที่ตั้งอยู่ในเหล่าเดียวกันกับสกายัทิฏฐิเป็นต้นนั้นนะนะอันพระโสดาบันท่านวิเวกจากสักกายัตทิฏฐิเป็นต้นตลอดการ พระสกทาคามีท่านก็มีจิตวิเวกจากการมราฆาสังโยต์ปฏิฆาสังโยชน์การมราคานุสัยปฏิคานุสัยอย่างหยาบหยาบและจากกิเลสที่ตั้งอยู่ในเหล่าเดียวกันกับการมราฆาสังโยต์เป็นต้นนั้นท่านกามราคะอย่างหยาบโทสะอย่างหยาบในพระสกทาคามีวิเวกตลอดส่วนพระนนาคามีนั้นท่านมีจิตวิเวกจากการมราคาสังโยต์ปฏิฆาสังโยต์การมาราคานุสัยปฏิคานุสัยอย่างละเอียดละเอียดคือสรุปว่า ราคาในรูปเป็นต้นเนี่ยนะปฏิฆาในสังโยชตเป็นต้นเนี่ยปฏิฆาสังโยชน์เป็นต้นเนี่ยพระนาคามีไม่มีเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นผู้ที่มีจิตวิเวกจากการมาราคาสังโยชน์ปฏิฆาสังโยชตเป็นต้นส่วนพระรหรันมีจิตสงัดจากรูปปราคะามนุอุทธจาราวิชามานานุสัยภวะราคานุสัยอวิชานุสัยกิเลส ท, ที่ตั้งอยู่ในเหล่าเดียวกันกับรูปประราคะเป็นต้นนั้น และจากสังขารนีม้มิทั้งปวงในภายนอกนี้ชื่อว่าจิตตวิเวกพระอรหันต์นี้วิเวกจากทุกอย่างเลยนะวิเวกทุกอย่างเลยมันก็วิเวกจากกิเลสถ้าท่านเข้าพระสมาบัติก็วิเวกจากสังคตาธรรมนั่นะนะนคาว่าจิตตะวิเวกนี่กว้างอ่ะนะกว้างมากนี่นะแนตะ่แต่ว่าทั่วไปนี้เน้นตั้งแต่ระดับปฐมฌานเป็นต้นไปนะของเรามาอยู่นี่ใครได้จิตตวิเวกบ้างยังอ่ะนะได้แต่ กายวิเวกเป็นพักๆขณะที่เข้าห้อ ง, องนั่นนะแต่ว่าจิตวิเวกก็ต้องได้ฌานนะนะได้รูปฌานอรูปฌานแล้วก็จิตของพระอริยะก็ชื่อว่าวิเวก